คำถามที่มีพลังคือคำถามที่ชวนพินิจอดีตเป็นบันไดไม่ใช่โซ่ตรวนส่องให้เห็นอนาคตเป็นเป้าหมายไม่ใช่วิมานในอากาศในแต่ละวันพลังชีวิตอาจได้มาง่ายที่สุดด้วยสองวิธีคือ 1. ห, หายใจเป็น 2. ตั้งคำถามยังมีพลัง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 คำถามที่สองให้เห็นอนาคตเป็นเป้าหมายไม่ใช่วิมานในอากาศคนที่หายใจเป็นมักตั้งคำถามยังมีพลังได้เช่นเมื่อหายใจยังสดชื่นแล้วถามตัวเองถูกว่าทำตอนนี้ได้ไหมแค่คำถามนี้ก็อาจก่อให้เกิดแรงเรง่งถีบตัวหนีจากหลุมดำแห่งความเฉยชาได้ เมื่อหายใจอย่างผ่อนคลายสบายตัวและถามตัวเองถูกว่ากลับไปเปลี่ยนเมื่อวานได้ไหมแค่คำถามนี้ก็อาจสลัดคุณหลุดจากความเสียดายอันเป็นพันธนาการน่าอึดอัดเหมือนบีบให้หายใจไม่ออกเมื่อหายใจอย่างรู้ได้เรื่อยๆว่ากำลังหายใจและถามตัวเองถูกว่ากำลังเตรียมอะไรให้พรุ่งนี้อยู่ แค่คำถามนี้ก็อาจปัดเป่าอาการฟุ้งซ่านติตนไปก่อนไข้เหลือแต่ความคิดมุ่งมั่นใช้เวลาที่ยังมีให้คุ้มค่าเมื่อรู้สึกถึงสิ่งใดอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นจะกลายเป็นจินตภาพอยู่ในใจเห็นลมหายใจเห็นปัจจุบันเห็นจิตสงบราบคาบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ถูกรั้งให้ถอยไปข้างหลัง ไม่ใช่ถูกจุดให้หวังไปข้างหน้า